ต้องชัดแก่ตนตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยตามหลังอัตถกาถาเอามาเข้าคู่เทียบกับพระไตรปิฎกบาลีไม่ได้จากที่ได้พูดมาจะเห็นว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยนั้นมีฐานะในความเชื่อถืออ้างอิงต่อจากอัตถกาถาด้วยซ้ำจึงเอาไปเข้าคู่เทียบชั้นกับพระไตรปิฎกบาลีไม่ได้ อ้างเพียงเพื่อชี้ต่อไปที่ฉบับบาลีพระไตรปิฎกบาลีก็คือพระไตรปิฎกของเดิมที่เป็นตัวแท้ตัวจริงมีมาเป็นพันๆปีเพียงแต่ยกเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ด้วยอักษรไทยเป็นครั้งแรกให้ครบแล้วตั้งชื่อว่าฉบับสยามรัฐส่วนพระไตรปิฎกภาษาไทยก็คือคำแปลจากพระไตรปิฎกบาลีนั้นออกมาเป็นภาษาไทย ซึ่งเพิ่งมีเป็นชุดครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2,500 นี่เองซึ่งพิมพ์เสร็จไม่ทันปี 2,500 มีฐานะเช่นเดียวกับพระไตรปิฎกแปลทั้งหลายซึ่งมีมากหลายทั้งที่แปลเป็นภาษาไทยชุดอื่นๆและที่แปลเป็นภาษาอื่นๆในานานาประเทศคือเป็นเพียงเครื่องช่วยในการศึกษาพระไตรปิฎกบาลีไม่ใช่ของที่จะแทนหรือจะเทียบกับพระไตรปิฎกบาลี การที่พระคึกฤทธ์ยกเอาพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐขึ้นมาพูดแล้วก็จัดแบ่งพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเหมือนว่ามีสองอย่างไม่ว่าพระคึกฤทธ์จะแบ่งแยกเป็นพระไตรปิฎกไทยบาลีสยามรัฐกับพระไตรปิฎกบาลีบาลีสยามรัฐก็ตามไม่ว่าพระคึกฤทธ์จะแบ่งแยกเป็นพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐในวงเล็บภาษาไทย กับพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐในวงเล็บภาษาบาลีก็ตามการที่ท่านจัดแบ่งอย่างนั้นนอกจากไม่เป็นความจริงซึ่งพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐมีแต่ภาษาบาลีอย่างเดียวไม่มีภาษาไทยพระไตรปิฎกภาษาไทยไม่มีที่ไหนเป็นสยามรัฐดังที่ได้อธิบายไปแล้วแต่ต้นยังมีแง่ที่ควรเข้าใจสองประการคือ ประการแรกเมื่อเรามองว่าพระคึกฤทธิ์ไม่ได้ตั้งใจพูดให้ผิดก็คือท่านไม่รู้จักพระไตรปิฎกเพียงพอท่านยังมีความเข้าใจผิดพลาดสับสนปนเปเช่นไม่รู้ว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐคืออะไรมีความหมายแค่ไหนไม่รู้ว่าพระไตรปิฎกภาษาบาลีกับพระไตรปิฎกภาษาไทยอย่างไหนคือแค่ไหนมีความเป็นมาเป็นไป และมีฐานะแตกต่างกันอย่างไรประการที่สองข้อที่ตัวท่านเองไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องพระไตปิดกว่าบาลีคืออย่างไรไทยคือแค่ไหนว่าสยามรัฐเป็นอะไรนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับข้อที่ว่าเมื่อท่านนํามาพูดจาสื่อสารตามที่ไม่รู้และตามที่เข้าใจผิดนั้นก็พาให้ประชาชนรู้ผิด เข้าใจพลาดสับสนแยกอะไรไม่ออกนปนเปคลุ่มเครือไปหมดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจและการสื่อสารที่คลุ่มเครือสับส น, บนปนเปก็ตามมาด้วยการปฏิบัติจัดการต่างๆที่ผิดพลาดนุงน่งนางเมื่อเป็นเรื่องของหมู่ชนเป็นไปในสังคมก็จะกลายเป็นปัญหาซับซ้อนที่นานไปจะแก้ไขได้ยากเพื่อเห็นแก่ธรรมะ จึงควรศึกษาให้รู้เข้าใจให้ชัดเจนแล้วแก้ไขจัดการให้ถูกต้องด้วยความตั้งใจซื่อตรงที่มุ่งเอาความจริงอยู่กับความถูกต้องและรักษาประโยชน์ของประชาชนไว้ดังได้ว่ามานั้นท้ายเรื่องทวนความพระคึกฤทธ์บอกความปรารถนาดีว่าจะจัดทำของจริงของแท้ออกมาถึงจะพลังพลาดอะไรไป เราก็มองท่านด้วยความเห็นใจพยายามเข้าใจแต่ตัวท่านเองก็ควรไม่ประมาทที่จะทำความรู้เข้าใจให้ชัดเจนและเราก็พึงหวังว่าเมื่อท่านรู้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วท่านจะได้ละเลิกการกระทำที่ผิดพลาดแก้ไขตัวหันมาทำให้ถูกให้ตรงการทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มิใช่จะเป็นคุณแก่ตัวพระคริสต์เองเท่านั้น แต่ข้อที่สำคัญอย่างยิ่งอยู่ที่ว่าจะได้รักษาความจริงความถูกต้องแล้วรักษาประโยชน์ของมหาชนไว้ไม่ให้เสื่อมเสียหายและประโยชน์นั้นจะได้มีโอกาสอ ง, งอกงามยิ่งขึ้นต่อไปขออนุโมทนายาตยมที่มีน้ำใจห่วงใ ย, ยพระศาสนาเอกสารที่ฝากผ่านพระไปให้ช่วยให้ได้รู้ความเคลื่อนไหวก่อความเสียหายที่ไม่ควรประมาท ปัญหาเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจรู้เข้าใจสิ่งที่ตนคิดจะจัดจะทำนั้นไม่ถูกต้องไม่เพียงพอการแก้ไขปัญหาก็ตรงตามเหตุปัจจัยคือบอกเล่าชี้แจงให้มีความรู้เข้าใจที่เพียงพอและให้ถูกต้องตรงตามความจริงการชี้บอกให้รู้นี้มิใช่มองเจาะไปที่พระคริสต์แต่ควรมุ่งไปที่พุทธบริษัทหรือชาวพุทธไทยทั่วๆไป ถ้าชาวพุทธไทยรู้จักพระไตรปิฎกรู้จักคมภีร์เช่นอัตตกถาเข้าใจเรื่องพระธรรมวินัยดีปัญหาแบบนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าพุทธบริษัทไทยมีความรู้ทันว่าอะไรเป็นอะไรพอมีอะไรไม่ถูกก็รู้ทันตั้งแต่ต้นจนปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้จึงต้องเน้นการศึกษาให้ความรู้กันจึงมองได้ในแง่ดีว่า เหตุการณ์จำพวกปัญหาหรือเรื่องร้ายแบบนี้เกิดขึ้นแล้วช่วยให้ชาวพุทธไทยตื่นขึ้นมาเมื่อรู้ตัวว่าได้หลับไหลห่างเหินจากเนื้อตัวของพระศาสนาจนไม่รู้หลักว่าอะไรเป็นอะไรก็จะได้รีบเร่งตื่นตัวขึ้นมาศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจที่จะรักษาตัวและรักษาพระศาสนาได้ในสถานการณ์นี้เราก็สามารถขอบใจเรื่องผิดบุคคลเพี้ยน ที่เหมือนมาช่วยปลุกพุทธบริษัทให้ตื่นขึ้นมาเป็นอันว่าสาระของเรื่องนี้อยู่ที่ให้พากันตื่นขึ้นมาสร้างความรู้เข้าใจพระธรรมวินัยและเรื่องที่เป็นหลักสำคัญของพระศาสนาตั้งแต่พระไตรปิฎกลงมาถึงอัตถกะถาเป็นต้นที่ได้พูดมานี้อย่างไรก็ดีอย่างที่ว่าแล้วอาตมาอยู่ห่างไกลก็ห่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย ตัววัตถุของที่เป็นปัญหาก็ไม่สามารถดูให้ครบให้ชัดเต็มที่เท่าที่เขียนโดยเฉพาะในตอนท้ายนี้พึงถือว่าเป็นการว่าไว้คร่าวๆและบางตอนก็พูดไปพลางก่อนโดยขอให้ญาติโยมเจ้าของความห่วงใยใกล้เหตุการณ์ผู้ปรารถนาดีนั้นช่วยตรวจสอบด้วยที่ไหนยังไม่ตรงจุดแท้ยังชัดไม่ทั่วถึงจะไม่มีโอกาสพบกัน ก็ฝากบอกไปเมื่อมีโอกาสจะได้เจาะให้ตรงและปรับขยายให้เต็ม